คือต้นไม้ใหญ่ที่ชาวบ้านเขนิยมนํามาทําเป็นเสาเอกทําบ้านในสมัยก่อนน้นโดยส่วนมากแล้วมักจะมีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นคือมีน้ํามันสีขุ่นๆไหลยเยิ้มออกมาจากผิวของเนื้อไม้เสาบางต้นที่มีน้ํามันก็จะไหลยเยิ้มออกมามีกลิ่นหอมบางต้นก็เหม็นซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แล้วก็น่าสะพึงกลัวเช่นเดียวกันชาวบ้านเขาเรียกเสาตกน้ํามัน เมื่อเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของสถานที่ที่เป็นมีเสาตกน้ํามันเนี่ยเขาจะนำผ้าพแพรหลายสีมาผูกไว้ที่ต้นเสาต้นนั้นจุดธูปเทียนถวายสักการะบูชานําเครื่องเส้นจําพวกน้ําอบน้ําหอมแล้วก็อื่นๆที่เป็นเครื่องประดับของสุภาพสตรีมาถวายให้เพราะว่ามีความเชื่อว่ามีองค์นางฟ้าหรือว่านางไม้เนี่ยสิงสถิตอยู่ในต้นเสาจึงทําให้เสานี่เกิดตกน้ํามัน ที่คุ้มขุนแผนวัดแค่จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีเสาบนเรือนทรงไทยตกน้ํามันจากการสันนิษฐานของพระเกจิอาจารย์หรือว่าหมอศยศาสตร์ที่มีวิชาอาคมระบุไ ว, ว้ว่าเสาที่ตกน้ํามันที่คุ้มขุนแผนเนี่ยเป็นต้นตะเคียนแล้วก็มีนางไม้สิงสถิตอยู่โดยที่ชาวบ้านได้โค่นต้นตะเคียนต้นนี้มาเนี่ยไม่รู้ซะได้ซ้ําว่าต้นตะเคียนนี้มีนางไม้สถิตอยู่แล้วก็ อืมถ้ารู้ก็คงจะไม่กล้าโคน่นต้นตะเคียนต้นนั้นแน่ๆเพราะกลัวจะโดนเล่นงานลงโทษถึงตายเพราะตามคําเล่าลือของคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นว่านางตะเคียนหรือว่านางไม้ในเฮียนมากถ้าลงได้โกรธผู้ใดแล้วก็จะลงโทษกันถึงตายเลยทีเดียวแต่ยามที่นางใจดีก็ใจดีเหลือเกินเหมือนกันคุณยายควรอ่าอ่าแกเป็นคนสุพรรณแก่อยู่ที่นั่นแหละ แกก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้ด้วยสำเนียงเหนือเนอของคนสุพรรณแกบอกเสาตกน้ํามันต้นเนี้ยเป็นเสาต้นตะเคียนมีนางไม้หรดูมานางตะเคียนสถิตอยู่ที่เชื่อและมั่นใจอย่างนี้เพราะว่าได้มานอนพักอยู่ที่คุ้มขุนแผนกับลูกสาวที่เป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ปรากฏว่าคืนนั้นคุณยายนอนเล่นอยู่ในห้องหูได้ยินเสียงคล่ําครวญฟังไม่ได้สับว่าพูดอะไรบ้าง ด้วยความอยากรู้ว่าทำไมดึกดด่นค่ำคืนแล้วถึงได้มีผู้หญิงมาพูดที่คุ้มขุนแผนคุณยายก็ลุกขึ้นเดินไปแงมเปิดประตูไปชำเลืองมองขวาความมืดไปที่ชานเรือนก็ได้เห็นผู้หญิงสาวผมยาวยืนปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆสาวตกน้ำมันจากข้อสังเกตของคุณยายควรก็แลเห็นการแต่งกายของผู้หญิงคนนั้นเป็นเสื้อผ้าที่สวใส่นนเป็นสีเหลืองอารามทั้งชุดแล้วก็เป็นสมัยโบราณ ที่คุณยายควรเคยเห็นมาแล้วจากของจริงที่ทางการเขานำมาโชว์ให้ดูในงานเทศกาลประจำจังหวัดที่จัดขึ้นทุกๆปีก็เลยจำได้แม่นยำและเสื้อผ้าที่หล่อนสวมใส่นั้นเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้หญิงคนนั้นยืนหันหลังให้คุณยายควรก็เลยไม่ได้มีโอกาสเห็นหน้าก็เลยไม่รู้ว่ามีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนคุณยายควรแกก็เล่าว่าทีแรกไม่รู้หรอกว่าหลอนเป็นนางไม้หรือนางตะเคียน นึกว่าเป็นผู้หญิงหลงทางขึ้นมาบนคุ้มขุนแผนก็เลยเปิดประตูเดินเบาๆตรงไปหาเพื่อจะสอบถามรายละเอียดด้วยความเป็นห่วงคุณยายควรยังเดินไปไม่ถึงผู้หญิงสาวคนนั้นจมูกก็ได้กลิ่นน้ำอบไทยหอมตลบอบอวนพร้อมกับกลิ่นทูบหอมลอยละล่องไปทั่วคุ้มขุมขนแผนขาแข้งของคุณยายควรเริ่มที่จะสั่นแล้วแล้วก็แข็งจนกระทั่งก้าวเท้าไม่ออกไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอะไร ยังหาสาเหตุปริศนาที่มืดมนมาถึงทุกวันนี้เลยเมื่อไม่อาจจะก้าวขาเดินไปได้ก็ได้แต่ยืนตัวสั่นอยู่เงียบเียมจะอ้าปากถามก็ไม่กล้าจิตใจตอนนั้นก็ลูเลนึกหวั่นหวาดกลัวนึกถึงผีขึ้นมาแม้ว่าตอนดึกๆนั้นอากาศจะเย็นแล้วก็หนาวก็ตามแต่สำหรับคุณยายควรแล้วอากาศเวลาน้ำมนร้อนอบอ้าวจนเหงือง่อเหงื่อพุูออกมาจากกายไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง ผู้หญิงสาวคนนั้นค่อยๆหันหน้ามามองดูคุณยายควรนั่นแหละคุณยายควรถึงได้เห็นหน้าผู้หญิงสาวแปลกหน้าใบหน้านะ่าสวยงดงามมากผิวกายเหลืองดุดขมิ้นทีเดียวเส้นผมดํามันคลับแล้วก็ยาวถึงเอวหล่อนไม่พูดแต่ว่าชี้ชีมือไปที่ต้นสาวตกน้ํามันอ่ะแล้วก็ชี้มาที่หน้าอกเหมือนจะบอกกับคุณยายควรว่าเธออยู่ที่สาวตกน้ํามันต้นนี้ละ่ะเสียงสุนัขที่อยู่ใต้คุ้มบ้านนั้นห่าบ้างหอนบ้าง ยอมรับมันในยามวิกฤตนั้นกลัวมากแต่ว่ามันขยับตัวไม่ได้ก็ได้แต่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นแต่สายตาของคุณยายควรยังจ้องเพ่งมองไปที่ผู้หญิงสาวคนนั้นเพียงกระพริบตาชั่วเดี๋ยวเดียวเท่านั้นหล่อนก็หายไปแล้วเห็นแต่เพียงกลุ่มหมอกควันสีขาวลอยฟุ้งอยู่เบื้องหน้าคุณยายควรเมื่อควันสีขาวจางหายไปแล้วแข้งขาคุณยายควรก็ค่อยขยับไปมาได้ พอรู้ว่าตัวเองขยับขาได้ก็ตัดสินใจหันหลังเดินกลับเข้าห้องไปคืนนั้นนอนไม่หลับเอาแต่ลืมตาสมองก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณยายควรได้พบเห็นนางไม้หรือว่านางตะเคียนชนิดเต็มตาตั้งแต่เกิดมาจานอายุเจสิกว่าแล้วเพิ่งจะเคยเห็นสิ่งเร้นลับนี่แหละจากนั้นมาก็ไม่เคยเห็นนางไม้หรือว่านางตะเคียนอีกเลยคุณยายควรเล่าต่อไปอีกว่าเห็นแค่นี้ก็เป็นบุญวาสนาแล้ว ถือว่าในชีวิตนี้ได้พบนางไม้ด้วยนางตะเคียนที่สาตกน้ำมันนี้ก็นับว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วแล้วก็ยังเล่าต่อไปอีกว่าเวลากลางคืนก่อนวันหวยจะออกเนี่ยจะมีชาวบ้านในละแวกย่านวัดพากันมาจุดธูปเทียนบนบานบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสาตกน้ำมันพร้อมกับเอาแป้งผัดหน้าไปโรยบนสาตกน้ามันแล้วก็ใช้มือรูปหาตัวเองขูดก็มีอ่า หาตัวเลขที่อาจจะปรากฏอยู่บนผิวเนื้อไม้ตะเคียนนั้นมีผู้มีโชคมีลาบหรือว่าบุญวาสนานางไม้นางตะเคียนก็จะเนรมิตตัวเลขให้เห็นแต่ก็เพียงวูบเดียวเท่านั้นหากว่าใครผู้ใดไม่มีโชควาสนาหรือว่าอับโชคแล้วจะให้ขูดจนนิ้วด้วนก็จะไม่เห็นเลขปรากฏให้เห็นหรืออาจจะเห็นตัวเลขเหมือนกันแต่เป็นตัวเลขหลอกเท่านั้นเองไปแทงหวยใต้ดินหรือหวยบนดินก็จะถูกกินเรียบ คุณยายควรเผยว่ามีชาวบ้านถูกหวยใต้ดินเหมือนกันแหละมีถูกหวยกันตั้งแต่ห้าร้ยบาทพันบาท1มื่นบาทเป็นแสนก็มีของอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับดวงของผู้ซื้อด้วยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อหวยแล้วถูกโชคลาภมันขึ้นอยู่กับบุญก่าวด้วยชาวบ้านคนไหนเขาถูกหวยใต้ดินหรือว่าบนดินก็จะนาเครื่องเส้นต่างๆมาถวายให้เป็นการแก้บน ทำไมงั้นแล้วงวดหน้าจะไม่มีโอกาสจะได้เลขอย่างนางไม้หรือว่านางตะเกียนที่เสาตกน้ํามันนี้อีกเพราะถือว่าเมื่อให้คําคํามั่นสัญญากับท่านแล้วทําผิดสัจจะวาจาผิดคําพูดเชื่อถือไม่ได้แล้วท่านจะช่วยเหลือคนประเภทนี้ไปทําไมเพราะไปมุสาหลอกลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านผู้ใดที่ถูกหวยได้เงินจํานวนมากๆก็จะทําตามกําลังทรัพย์ของตัวนํามอหรสพลิเกลําตัดภาพยนตร์ มาแสดงถวายแก้บนให้กับท่านใครถูกหวยได้เงินน้อยก็ทําแต่น้อยตามกําลังทรัพย์ที่ได้มาแล้วก็ยังมีนําเอาทองคําเปลวมาปิดทับไปบนสาวตกน้ํามันด้วยเพื่อสักการะบูชานางไม้หรือนางตะเกียนบางคนก็นําเอาเครื่องประดับหรือเครื่องประทินผิวน้ําอบน้ําหอมหวีกระจกแป้งผัดหน้าแล้วก็อื่นๆซึ่งสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นของสุภาพสตรีทั้งนั้น แล้วก็เป็นที่โปรดปรานของนางไม้หรือนางตะเคียนที่สาวตกน้ำมันนี่ด้วยคุณยายควรจะมีอาชีพขายขนมขายของขบเคี้ยวแล้วก็ขายเต่าและปลาไหลอ่เอามาวางขายให้กับคนที่มาคุ้มขุนแผนเนี่ยอุดหนุนซื้อไปปล่อยทำบุญยามที่วางก็จะสารตะกร้าไว้ขายให้ลูกค้าแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ต้องขยันทำงานเพื่อหาเงินใช้ แล้วก็อาศัยพักนอนอยู่ที่คุ้มขุนแผนโดยพร้อมกับสามีและลูกสาวที่ดูแลคุ้มขุนแผนคุณยายควรยังเล่าอีกว่าสาวตกน้ำมันนี่ทั้งเฮียนแล้วก็มากโดยแรงอาถรรพ์มากน่าดูไม่ว่าใครจะมาที่นี่แล้วไม่เชื่อว่านางไม้หรือนางตะเคียนจะมีจริงแล้วก็ไปลบหลู่ต่อท่านก็จะรู้ได้ทันทีว่าบุคคลนั้นจะต้องได้รับการลงโทษจากท่านในไม่ช้า เพื่อจะสั่งสอนได้รู้จักสำนึกต่อไปในภายภาคหน้าจะได้ไม่ปากเสียหรือว่าปากพล่อยไปกล่าวลบลูอีกบางคนกลับไปบ้านพอตกเย็นเกิอดอาการตัวเกรงมือแข็งนิ้วมือหงอเหมือนกระใสเดือนถูกที่เท้าปากบิดปากเบี้ยวตาค้างต่งลิ้นห้อยออกมาจากปากนั่นเป็นการลงโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนางไม้หรือนางตะเคียน จะไปรักษาอาการแบบนี้จากหมอปัจจุบันหรือว่าหมอคุณใสหรือคนทรงเจ้าไม่มีวันที่จะรักษาให้หายได้อาการที่เป็นเพราะฝีมือของสิ่งเลึกลับถ้าต้องการจะให้หายเหมือนปกติต้องไปจุดธูปเทียนแล้วก็ถวายดอกไม้สดเพื่อบอกกล่าวขอขมาลาโทษต่อท่านเสียแล้วอาการที่เป็นอยู่ก็จะอันตรธานหายไปกลับมาเหมือนเดิมบางคนถูกท่านลงโทษมีอันเป็นไปรถความบาดเจ็บสาหัสถึงต้องพิการไปก็มี บางคนก็โดนรถชนบางคนจะถูกนางไม้หรือนางตะเคียนไปหลอกถึงบ้านก็มีอ่านั่นเป็นเรื่องของคนที่ผิดคำสัมบันหรือว่าผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่นางตะเคียนนะครับเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเสาตกน้ามันให้ฟังท่านผู้ฟังเรื่องพูดผีวิญญาณเนี่ย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 ที่ผีมีความประสงค์ให้ใครคนหนึ่งเป็นตัวเป็นเห็นเป็นตัวเป็นตนตอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือให้ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้เขาหรือว่ามาแสดงรูปกายเพื่อส่งสัญ ญ, ญาณบางสิ่งบางอย่างหรือว่าแสดงความห่วงใยอะไรเพราะว่ามีจิตผูกพันแนบแน่นอีกกรณีหนึ่งที่ผีมาปรากฏเป็นไปในลักษณะที่มีเจตนามุ่งร้ายคือต้องการให้ตกใจกลัวบ้างหลอกหลอนด้วยเจตนากลั่นแกล้งบ้าง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 แต่นับแต่นั้นผีสาวตกน้ำมันก็หายไปไม่ออกมาอาลวาดหลอกหลอนอีกเลยสำหรับเรื่องผีดุถึงขั้นแสดงตัวออกมาหลอกผู้คนใ้เห็นกันจะจะแบบหน้าขนพองสยองกล้าวอย่างนี้มีผู้ประสบพบเห็นอีกรายก็คือคุณซิวบุญนาคกับคุณรัต ด, ดาท่านทั้งสองนี้ได้ไปปลูกตึกใหม่ที่พระขนงเยื่องกับสถานีตารวจพระขนงเมื่อเข้ามาอยู่ในระยะแร ก, แรกๆก็ไม่มีเหตุการณ์อะไร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 เมื่อเห็นชายคนที่ว่าในที่ปีนคลั่งอยู่เหนือประตูรั้วนี่เอื้อมมือลงมาที่กรองประตูเพื่อจะเปิดออกคราวนี้คุณซิลไม่กลัวขโมยแล้วแต่กลัวผีวูบขึ้นมาจนขนลุกเกลียวเพราะว่าคนที่พยายามจะบุกรุกเข้ามาในบ้านเอื้อมมือลงมาที่กรอนประตูในแขนยืดยาวลงมาไม่ต่ำกว่าสองเมตรและในพริบตาต่อมาไม่ทันที่มืออันยาวเหยียดจะแตะต้องถูกกรองประตูเจ้าของมืออุบาทก็อ้าปากร้อง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 ผีตนเดิมตัวนี้ไม่ใช่มาปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวแล้วก็หายไปแต่ว่ามาปรากฏหลายครั้งหลายหนลักษณะเดิมคือปีนรั้วขึ้นไปคล่อมอยู่บนประตูรั้วแล้วก็เหยียดยืดมือมาจะเปิดกรอนประตูแต่พอจะแตกกรอนก็มีอาการเหมือนกับถูกตีศรีรษะร่วงลงไปทุกครั้งคนใช้ในบ้านคุณซิวก็เห็นกันหลายคนคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็เห็นแล้วก็พากันหวาดกลัวอย่างมากพอถึงเวลามืดค่าไม่ค่อยมีใครกล้าจะเดินผ่านหน้าบ้านคุณซิว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 เมื่อมีเรื่องอกสันขวัญหายเกิดขึ้นแบบนี้คุณซิลก็ออกไปสอบถามความเป็นมาของที่ดินผืนนี้ต่อมาก็ทราบว่าบริเวณที่ดินผืนที่ว่าเนี้เคยมีตํารวจกับผู้ร้ายยิงต่อสู้กันและมีผู้เสียชีวิตในการยิงต่อสู้ทั้งสองฝ่ายหลายคนวิญญาณผีไตห่วงถึงได้เฮียนหนักแต่พูดผีวิญญาณร้ายที่จะพยายามเข้ามารังควานในบ้านคุณซิลไม่สําเร็จเนื่องจากตอนลงเสาเข็มสร้างตึกหลังนี้ คุณซิ่วซึ่งเป็นสิทธิหลวงพ่อจุนอีกคนหนึ่งได้นิมนต์ให้ท่านมาทำพิธีปรางถวาแล้วก็ถอนอาเพศอาถรรพ์ก่อนแล้วและภายในบ้านยังมีภาพท่านบูชาด้วยวิญญาณร้ายจึงไม่เข้ามาอารวาดแม้วิญญาณซึ่งน่าจะเป็นผีตายหงจะเข้ามาในบ้านไม่ได้แต่มันก็มาหลอกหลอนตรงประตูบ่อยครั้งคุณนัดดา ก, กับคุณซิ่วก็เดินทางไปขอสายเสกและน้ามนต์ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์นามาพรมแล้วก็โปรยไปทั่วบ้าน นับแต่นั้นก็ไม่ปรากฏมีผีร้ายแสดงตนมารังควานอีกเลยครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านดูฟังเรื่องเรือนไม้ตะเคียนครับเรื่องนี้คุณพองศรีเล่าให้ฟังว่าแม่พาแกไปดูคนตาย สาวเท้าจำอ้าวอ้าวนำหน้าไปริ้วเลีวตอนนั้นคุณพองศรียังเด็กมากก็วิ่งตามไปติดติดพวกชาวบ้านคนอื่นก็วิ่งบ้างเดินบ้างพากันมุ่งตรงไปตามถนนดินที่ทอดอยาวไปทิศเหนือไปสู่บ้านเกิดเหตุตอนนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วชาวบ้านเขาเรียกกําลังจะเข้าใต้เข้าไฟแต่ละคนที่กระหืดกระหอบกันไปต่างก็พูดกันจอกแจกเอ็ดอึงฟังไม่ได้สับเพราะต่างคนต่างพูดแย่งกันส่งเสียงไม่มีใครสนใจจะฟังเสียงใคร แต่ทั้งหมดนั่นก็ต่างโจทย์ขานเรื่องเดียวกันที่มันเกิดที่บ้านหลังใหญ่รูปทรงแปลกประหลาดผิดจากบ้านเรือนหลังอื่นบ้านนี้มีรูปทรงแปลกแปลกมีหลังเดียวในหมู่บ้านจริงๆแล้วดูคล้ายเรือนไทยผสมกับอะไรไม่รู้เป็นบ้านที่แปลกเขาปลูกขึ้นแต่ว่าคุณพองศรีมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้ปลูกมันขึ้นมาใหม่หากแต่เขาไปซื้อบ้านหลังนี้มาจากที่อื่นเป็นบ้านเก่าแล้วก็เอามาปลูกในที่ดินของเขาเจ้าของบ้านชื่อลุงชา ชื่อเต็มชื่อวิชาเขาซื้อบ้านมาแถวบ้านของคุณผองศรีเขาไม่ค่อยเรียกบ้านเขาเรียกเรือนตามสมัยเก่าอย่างเรือนไทยเรือนปั้นหยาอะไรทํานองนี้เอาเป็นว่าเขาไปซื้อมาแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรือนหลังเนี้ยแท้จริงมันมีประวัติไม่ค่อยจะดีติดมาด้วยพูดให้ชัดก็คือมีคนตายที่เรือนนี้มาก่อนก่อนที่เจ้าของเขาจะขายที่เจ้าของขายก็เพระเจ้าของอยู่ไม่ได้ผีอรารวาสหนักมันไม่ได้อรารวาสแบบธรรมดาคือหลอก หลอนให้กลัวไม่ใช่มันเอาตายเลยเอาชีวิตไปนั่นแหละคือความร้ายกาจอย่างที่สุดเลยแล้วที่กําลังวิ่งไปดูกันในวันนั้นตอนนั้นที่แกยังเด็กนั่นก็รู้ภาษาแล้วว่ากําลังจะไปดูคนตายกันที่บ้านนั้นคนเต็มบ้านไปหมดแน่นอนละไทยมุงทั้งนั้นไม่ว่าเกิดอะไรที่ไหนไปได้ก็จะไปดูกับเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่เว้นว่าคนเท่าเหลาเย่ยังไงเด็กเล็กหญิงชายไปกันหมด คุณพองศรีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าความอยากรู้อยากเห็นมีมากมายเหลือเกินคนตายชื่อป้าบุญมีเมียลุงชานอนตายอยู่ข้างๆโ ข, ง, ข, ง, ข, ง, ขงน้ำดินเผาแถบทางเหนือทางด้านเหนือแกมีเลือดไหลออกมาจากปากแล้วก็จมูกด้วยแต่ตามเนื้อตัวกลับไม่มีร่องรอยอะไรเลยไม่มีบาดแผลไม่มีพกช้ำเขาตรวจดูกันแล้วลุงชากับลูกสาวคนเดียวของแกเล่า ว, ว่าก่อนที่ป้าบุญมีจะตายในอยู่บ้านคนเดียว แกกับลูกสาวเข้าไปตัดกล้วยในสวนสวนที่อยู่ด้านหลังของบ้านเพียงแต่ว่ามันห่างจากบ้านไปราวๆห้สเมตรเอ้ใครฆ่าหรือว่าตายเองนี่แกไม่รู้พอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบก็ไม่พบว่าโดนใครฆ่าแกตายเองตายอย่างประหลาดลุงชาเล่าว่าตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้มาปลูกอยู่กันครอบครัวก็มีแต่เรื่องเจ็บป่วยทั้งสามคนเลยมีตั้งแต่ปวดหัวตัวร้อนไปจนเลือดตกอย่างออก ตัวแกเองตัดกิ่งไม้ ก, ก็ฟันนิ้วหัวแม่มือตัวเองเกือบขาดต้องไปให้หมอเย็บวันนึงไปขุดหนอกกล้วยเสียมก็บาดหลังเท้าซ้ายเวอะหวะรักษาอยู่นานเป็นเดือนๆ อ, อีกวันนึงไปลงขายหาปลาก็ไปโดนงูเห่ากัดเกือบตายไปเหมือนกันนอกนั้นก็เล็กๆน้อยๆ อ, อีกเยอะส่วนเมียของแกก็ตกบันไดขาหักเดินกระเพลกกระเพลกวันหนึ่งก็โดนหมากัดอีกวันก็กินข้าว ก้างปลาอันเบร์เนี่ยเข้าไปติดอยู่ในคอตาเหลือกตาค้างเกือบตายถ้าไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันสําหรับลูกสาวหน้าตาสะสวยอยู่ดีๆฟ้าขึ้นเป็นปืน้นปืนหน้าดําปื๋ไปเลยจากคนที่สวยก็กลายเป็นสาวที่น่ากลัวจนไอ้นุ่มๆที่มาชอบกัไปกันหมดแล้วเด็กๆแถวบ้านเห็นก็เรียกสาวหน้าผีว่างั้นพอป้าบุญมีตายลุงชาก็ย้อนหาสาเหตุว่าคนที่ในบ้านเนี่ย ต้องมาเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเพราะเรือนหลังนี้หรือเปล่าแกก็ย้อนกลับไปถามเจ้าของเก่าคนที่ขายบ้านให้แกเป็นหนุ่มชะกันเขาก็ยอมรับว่าเรือนที่ขายให้แกมันมีอะไรบางอย่างที่แปลกแปลกอยูอ่แกก็ถามว่าแปลกยังไงแปลกก็คือพ่อแม่พี่น้องเขาพากันล้มหายตายจากไปหมดแล้วทั้งตระกูลเหลือเขาเพียงคนเดียวลุงชาก็ตกใจตัวสั่นใจสั่นไปหมดแกบอกว่าเขาว่าทไมไม่บอกแกในเรื่องนี้ เขาแก้ตัวว่าเขาไม่รู้นี่ว่าเรือนหลังนั้นมันจะทําให้ครอบครัวอื่นเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็ออกตัวว่าเขาไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรือนที่ขายมากนะะักอ่ะเพราะว่าเขาตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขาไปอยู่กับป้าเพราะป้าไม่มีลูกก็ขอเขาเอาไปเลี้ยงเขาก็เลยเหมือนกับเป็นลูกของป้าเขาเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านหลังจากคนในครอบครัวตายกันไปหมดแล้วรวมทั้งหมดเลยห้าคนด้วยกันพ่อแม่แล้วก็พี่น้องของเขาอีกสามคน ลุงชาได้ยินก็กลัวมากถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นใครรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเรือนนั้นบ้างละ่ะถ้ารู้ต้นสายปลายเหตุอาจจะแก้ไขอะไรได้บ้างเขาคนนะให้แกไปหาตาคนนึงเป็นช่างปลูกบ้านเก่าแก่อายุมากแล้วแกก็ไปที่บ้านช่างแก่คนนั้น่ะก็ไปเจอในช่างมีเชื้อจีนรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่าหลังงอแล้วผมงอกขาวหนวดขาวนั่งอยู่หน้าบ้านตอนนั้นตอนบ่ายแดดร้อนลมก็ไม่พัดนั่งคุยกันที่หน้าบ้านใต้จน ไม้ใบเขียวครึ้มมีเงาร่มรื่นในช่างในหูไม่ค่อยดีก็ต้องตะโกนคุยกันแต่ก็ทําให้รู้ว่าเรือนนั้นมีเสาที่เป็นไม้ตะเคียนอยู่ถึงสองต้นแต่แกจําไม่ได้แล้วว่าจะเป็นต้นไหนบ้างเท่านั้นเองลุงชาก็ขอให้แกช่วยไปดูหน่อยว่าต้นไหนไม้ตะเคียนแกจะได้เปลี่ยนมันเสียแกบอกว่าแกไปไม่ไหวแล้วแก่มากแล้วอายุเกือบจะ90แล้วอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนแกว่างั้น ลุงชาก็เกรงเกรงอยู่พาแกไปแกเกิดไปตายกลางทางลูกหลานเขาเอาตายแน่ลุงชาก็หาช่างไม้แถวแถวบ้านให้ไปดูว่าต้นไหนเสาไม้ตะเคียนช่างก็ไม่ค่อยแน่ใจนักแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนมันทั้งหมดไปเลยลุงชาได้ยินก็ปดหัวจีด๊ดเงินนะสิเออมันต้องจ่ายนี่แกก็เลยต้องไปหาช่างคนอื่นช่างหลายคนก็พูดไม่ตรงกันผลสุดท้ายลุงชาต้องเปลี่ยนเสาหมดทุกต้นเลยเพื่อความสบายใจ มันก็หน้าแปลกที่หลังจากนั้นก็อยู่ดีมีสุขกันใบหน้าลูกสาวที่เป็นฟ้าก็รักษาหายหน้าขาวผุดพองเหมือนเดิมส่วนสาวที่เปลี่ยนออกมาแกก็ไม่เอาเก็บไว้ยกให้ช่างไปช่างจะไปทำอะไรก็ช่างเถอะช่างจะไปไว้ใส่ไว้ที่บ้านหลังอื่นหรืออย่างไรนั้นแกก็ไม่รู้เหมือนกันครับ คุณอนุชาในบวชพระเมื่ออายุยี่สิบปีที่วัดบ้านเกิดในจังหวัดอังทองวัดบ้านนอกนี่มันน่ากลัวมากมันเงียบช่วงนั้นความเจริญยังไม่ค่อยมีไฟฟ้าก็เพิ่งจะเข้ามาอ่ก็คุณอนุชาลองนับดูมันผ่านมาแล้วตั้งสามสิบปีแล้วกุฏิที่แกจำวัดอยู่นั้นไม่รู้มาก่อนว่าเป็นกุฏิที่น่ากลัวแกก็ไม่ได้สงสัยว่าทำไมมันถึงว่างอยู่ทั้งที่ก็น่าอยู่มาก คืนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ว่ากุติกว้างใหญ่นอนอยู่รูปเดียวก็แปลกแปลกอยู่เหมือนกันคืนที่สองก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติแค่นอนไม่ค่อยหลับเท่านั้นแต่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแต่เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างบางอย่างที่ว่านั้นก็คือเสาต้นหนึ่งถ้านอนอยู่ใกล้ๆกับที่นอนเลยด้านซ้ายมันอ่ามันเป็นเสาต้นกลางติดข้างขวาแล้วที่เห็นก็คือร่องรอยหรือว่าริ้วรอยบางอย่างอยู่สูงต้องแหงนมองดูไป รอยนั้นมันเหมือนกับใบหน้าคนมีดวงตาสองดวงมีคิ้วด้วยมีจมูกมีปากมีหูอ่ะเอ้แกก็ไม่ได้คิดมากไปเองนะแกไม่ได้บอกให้ใครรู้ก็ได้แต่มองๆดูว่ามันแปลกมากเพราะคืนที่สามก่อนนอนก็มองเสาสะดุ้งเฮือกเลยตาฟาดหรือเปล่าเพราะเห็นว่ามันเหมือนกับมีใบหน้าโผล่มาจากเสาพอแกมองไปปุ๊บหน้านั้นก็โหดหายเข้าไปในต้นเสาทันทีทันใดเหลือแต่รอยประหลาดที่เหมือนกับใบหน้าคนเท่านั้นนะ่ะ แต่ขอบอกว่ามันชัดเจนมากกว่าที่เห็นทีแรกเยอะเลยอ่ะใบหน้าที่ผลุกหายไปก็คล้ายกับใบหน้าที่ปรากฏเป็นรูปรอยบนต้นเสานั่นแหละอ่ใบหน้ารูปไข่จำได้ติดตาผู้หญิงแน่ๆแกก็เริ่มคิดถึงเสาแปลกประหลาดแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นสาตกน้ามันก็ไม่เห็นจะมีน้ำมันอะไรไหลย้อยที่ตรงไหนเนี่ย นอนหลับไปตื่นขึ้นมาเฉยๆมองผ่านเพดานมุงไปที่เสาตรงที่มีใบหน้าคนทีนี้แกตัวชาดิกเลยเพราะว่าแกเห็นโดยโดยไม่มีแสงนะใบหน้ามันยื่นออกมาจากต้นเสาผู้หญิงหน้ารูปไข่ผมยาวปลกใบหน้าบางส่วนแกก็ไม่รู้ว่าตื่นหรือหลับหรือฝันนี่งงไปหมดพยายามขยับตัวแต่ขยับไม่ได้แกสวดมนต์เพราะว่ากลัวผีสวดอยู่พักหนึ่งถึงขยับตัวได้พอขยับตัวได้ใบหน้านั้นก็หายไปแล้วก็รู้สึกว่า ตื่นเต็มตาแล้วก็งงๆอยู่ว่าตะ ก, กี้หลับอยู่หรือเปล่าพอม้อยหลับก็สะดุ้งตื่นมีบางอย่างแวบผ่านหน้าไปพอตื่นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอม้อยหลับก็มีแวบอีกสะดุ้งตื่นอีกหลายหนที่เป็นอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายเลิกพยายามจะนอนลุกขึ้นมาเปิดไฟสว่างมองที่ต้นเสาประหลาดที่สุดใบหน้าบนเสาชัดเจนที่สุดเหมือนกับเป็นใบหน้าของมนุษย์จริง แล้วที่สําคัญสองตานี่ยเหมือนกับกําลังจ้องมองแกอยู่ตาไม่กระพริบทาให้แกไม่กล้าปิดไฟนอนแล้วแล้วก็นอนไม่หลับเงียบไปสองสางีบเท่านั้นเพราะมักจะสะดุ้งตื่นไม่ทันจะหลับได้ยาวนานสักทีเดียวเ อ, อในใจก็คิดว่าคงจะต้องหากุฏิอยู่ใหม่แล้วแต่พอดีหรืเอเกินว่าวันนั้นมีพระมาบวชใหม่อีกรูปหนึ่งบวชแล้วก็มาอยู่กุฏิเดียวกันเออเราก็ดีใจมากที่มีเพื่อนสบายใจแล้วนอนตาหลับ ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พระใหม่ฟังพระท่านเล่าไปแล้วเขาไม่กลัวก็ดีไปแต่ถ้าเขาเกิดกลัวเนี่ยเขาจะต้องขอย้ายไปอยู่กุฏิอื่นทีนี้แกก็จะต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวอีกก็จะต้องวุ่นวายขอย้ายที่นอนใหม่ช่วงนั้นก็สุข ก, กายสบายดีไม่มีสิ่งใดมาแพร่พันแต่แล้วคืนหนึ่งพระใหม่ก็ถามถามในตอนเช้าบอกว่าเมื่อคืนท่านได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าก็ถามว่าเสียงอะไรเขาก็บอกว่าเสียงเหมือนผู้หญิงอ่ะดังมาจากไหน ดังมาจากไหนก็ไม่แน่ชัดเนี่ยแต่ที่พอจะดาวได้ออผมว่ามันดังอยู่ในกุฏิเรา ล, ละแหละแกก็ขนลุกด้วยความกลัวเป็นพระไม่ใช่ไม่กลัวผีนี่ก็ยังกลัวเหมือนเดิมแกก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่จะทำให้สถานการณ์ดีก็เลยบอกว่าคงจะไม่มีอะไรรอกแต่ว่าพระใหม่จะสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าแกหันควับมองไปที่สาตรงนั้นเบื้องสูงที่มีใบหน้าผู้หญิงปรากฏอยู่พอมองเห็นได้ราง แต่พออีกสองคืนพระใหม่ก็ถามในตอนเช้าอีกว่าเมื่อคืนท่านเห็นอะไรที่เสาต้นนั้นไหมชี้มือไปเกี่ยก็มองตามถามว่าทำไมเหรอมัาบอกว่ามีแสงที่เสาต้นนั้นตรงนั้นสูงสูงนะน่ะทีนี้ท่านก็กลัวว่าเขาจะสังเกตเห็นรอยใบหน้านะ่ะแต่เขากลับไม่เห็นเพราะไม่ได้พูดอะไรเกี่ยก็ตอบเข้าไปว่าไม่เห็นน่ะไม่เห็นมีแสงอะไรเลยพระอนุชาบวชอยู่แค่เดือนกวาก็ต้องสึก ก่อนขนของออกจากกุฏิแกคิดตัดสินใจจะบอกเขาดีไหมพอดีพ่อมาเร่งให้เร็วๆเข้ารถเขรออยู่ก็เลยไม่ทันได้บอกอะไรพระใหม่มารู้ภายหลังว่าพระใหม่โดนผีต้นสาวหลอกจนวิ่งหนีออกจากกุฏิกลางดึกพระใหม่ย้ายที่นอนไปนอนแทนตรงที่พระอนุชาเคยนอนก็นอนใกล้กับเสากลางต้นนั้นคืนหนึ่งตอนดึกเห็นแสงที่นั่นเป็นลักษณะใบหน้าผู้หญิงและใบหน้านั้นก็ลอยออกมา นั่นแหละที่ทําให้พระใหม่วิ่งออกจากกุฏิพอเช้าก็เห็นกันทั้งพระทั้งเนนและญาติโยมว่าที่ต้นเสามีร่องรอยใบหน้าคนอย่างที่พระนุชาเห็นมาแล้วไม่มีใครทําอะไรกับเสาต้นนั้นเพียงแต่ว่าไม่มีพระไปจำมันสากลายเป็นห้องเก็บของไปในที่สุดสมภารเล่า ว, ว่ากุฏิหลังนี้มีคนถวายมาเคยเป็นเรือนเก่าโบราณเจ้าของถวายมาเพราะอยู่กันไม่ได้ทําให้คนในบ้านเจ็บป่วยไม่ได้หยุดได้ย่อน